ธรรมชาดกแผ่นที่สี่ลำดับที่สิบเจ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สมกราคมสอง7ันห้าสี่เจ็ดมีชื่อเรื่องว่าตายจากพรมมาเกิดเป็นหมูวันนี้เป็นวัน ที่สามของปีใหม่ที่ผ่านมาญาติโยมรู้สึกอุ่นหนาฝาคั่งนะปีนี้นะญาติโยมมากปีนี้มากกว่าที่ผ่านๆมาในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเมือนันปีนี้ก็คงคิดว่าเศรษฐกิจคงจะดีขึ้นกำลังเห็นญาติโยมลูกหลานมาทําบุญเยอะ เต็มสาาลาในวันที่หนึ่งืมาจากทางไกลแต่ตามไม่จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นลหละปีหนึ่งเราควรจะทำบนอุทิศสวนกุศลให้แก่บรรพชนของพวกเรารออยญาติพี่น้องที่เรารักเคารพนับถือที่มีพระคุณสำหรับเราอันนี้ก็คือปีใหม่ก็ควรราลึกถึงผู้มีพระคุณครั้งหนึ่ง ถ้าหากว่าไม่ถึงปีใหม่เราก็ไม่ได้ลำลึกถึงโดยมากจะมีสงกรานต์ครั้งหนึ่งลำลึกถึงบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ไม่จริงกับควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่ขาสองแขนสองคือมรดกของพ่อแม่ที่ให้เรามาเมื่อท่านให้เรามาแล้ว เราก็เอามรดกอันนี้ไปทํามาค้าขายทํามาหาเลี้ยงชีพเอาไปลงทุน เ, เมื่อได้ทุนงอกเงยขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองเป็นวัตถุสิ่งของ เ, อเราก็ควรจะส่งดอกผลให้แก่พ่อแม่ถ้าว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยขนมนมเนยข้าวน้ําปัจจัย เ, เงินคําทรัพย์สมบัติตามอัตภาพที่จะ สงเค อ, อ, อุนเคคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่ควรปล่อยปะละเลยอันนี้คือหน้าที่ของลูกลูกนี้ว่ากันแบบไม่ใช่ลูกธรรมดาได้ลูกนี้เราทุกคนเป็นลูกนี้ควรจ ะ, ะระลึกถึงพระคุณของท่านในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพ่อแม่ตายไปแล้วก้อนนี้ก้อนนี้ที่ท่านให้ไว้ก็ยังมีอยู่ขาสองแขน2เนี่ย ศีสระหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ก่อนทุนกองนี้ยังทํามาค้าขายยังหาเลี้ยงชีพอยูเออ่เมื่อครบรอบปีอย่างวันนี้อย่างปีใหม่เนี่ยเราก็ควรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทันเพราะจะส่งให้ทางอื่นเราส่งไม่ได้แล้วบาปเนี่เพราะท่านตายไปแล้วเราก็ทําบุญกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์เมื่อทําบุญตักบาตร ถ้าไหวาจะตกปัจจัยไทยทานตามอัตภาพจากนั้นเราก็อุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณของพ่อของแม่ของเราถ้าหว่าท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่ณสถานทินใดก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลมาอนโมธนาส่วนบุญที่ลูกนี้ได้อุทิศส่วนกุศลให้ น, น, นี่ก็คือเป็นการกัตตัญญูกตเวทิตา ทดแทนพ่อคุณของบิดามารดาตลอดถึงปู่ย่าตายายที่มีพ่อคุณที่เอามรดกตกทอดมาให้พวกลูกพวกหลานพวกเราได้อยู่ได้กินได้สะดวกสบายพ่อปู่ย่าตายายหามาไว้ให้แต่ถามว่าพวกเราหาด้วยปีแข่งของตัวเองแต่ถึงอย่างไงก็ขาสองแขนสองนี่ก็คือมรดกของพ่อแม่ให้มาแล้ว ถึงอย่างไรเราก็ยังเป็นหนี้อยู่โดยดีเพราะนั้นถึงวันปีใหม่วันสงกรานต์หรือวันสำคัญที่พวกเราได้ทำบุญไปทำบุญตามวัดวาต่างๆหรือกับครูบาอาจารย์ก็ให้อุทิส่วนกุศลถึงผู้มีบุญสำหรับเราทุกครั้งเมื่อเราไปทำบุญนี่แหนะวัฒนการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ควรประมาทใครทาใครได้แต่คนที่อนุโมทนานั้นก็ได้ แต่ไม่มากแต่ถ้าไม่อนุโมทนานะไม่ได้เด้เออสมมติว่าสามีพัญญาลูกเต่าลานเลนไปทําบุญเนี่ยมันไปอะไรมากมายนักหนาไปทําบุญมันได้อะไรอย่างเนี้ยไปดูถูกเหยียดย้ำไม่อนุโมทนาไม่ได้เด้ไปบอกปิดหูปิดตาปิดใจตัวเองแล้วเพอเพยังเป็นบาปอีกเกลียดชังการทําบุญการสร้างบุญสร้างกุศล ยังไม่ได้บุญแล้วยังเป็นบาปในหัวใจอีก เ, ออเพราะนั้นการที่พวกเราได้ทำบุญทำกุศลพร้อมหน้าพร้อมตากันดีที่สุดนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทำพร้อมกันกับ อ, อ, อนุโมทนาสาธุยกของไทยทานผู้ที่ไปทำบุญก็เอารวมจิตร่วมใจกัน เ, เป็นน้ำหนึ่งน้ำน้ำใจคนหนึ่งหาคนหนึ่งไปทำอันนั้นได้บุญเกือบเท่าเทียมกัน คนหนึ่งเอาไปถวายคนหนึ่งเป็นคนทําให้หรือเป็นคนหาให้ด้วยจิตด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาพร้อมเพียงกันอันนั้นเป็นบุญกุศลพวกเราควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะขัดขืนในการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําอย่างนั้นแหะไม่ได้เด๊เอ๋อย่างหลวงปู่ชอบท่านนั่งภาวนาน หลวงปู่ชอบเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นพระอะไรท่านคงเป็นพระอริยะพระอรหันต์ท่านนั่งภาวนาจวนใกล้สว่างนิมิตคล้ายๆกันว่าพอจิตสงบลงไปพอจิตสงบลงไปไปเห็นวิญญาณเข้ามาบอกว่าท่านท่านทำไมไปคนเดียวปล่อยให้ฉันตกทุกข์ได้ยากอยู่ได้ทำไมท่านจึงไม่ช่วยเหลือข้าเลยไม่ช่วยเหลือ ฉันเลยทํำไมท่านจึงปล่อยให้ฉันอยู่อย่างนี้อท่านมีจะไปดีเสียจแล้วปล่อยให้ฉันตกทุกข์ได้ยากทั้งที่เป็นทุกข์ยากมาด้วยกันหลวงปู่ชอบว่าอา้าวเป็นอะไรก็ฉันก็เป็นไก่ได้สิวะงันอ้าวทำไมล่ะอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยตอนเช้าตอนท่านพปบิณฑบาตฉันจะแสดงให้ดูก็แล้วกันละเพราะงั้นอย่างโมโหยี่ได้แม่ไก่ตัว น, นั้นอนะ เออฉันจะแสดงให้ดูไปแล้วกันนะเออท่านก็เลยเออทาไมวะเห็สงไขจะเป็นคู่เออกรรมคู่เวรคู่บารมีกันแล้ว่างั้นเถอะเออเกิดมาด้วยกันเวลาหลวงปู่ชอบชักชวนไปทําบุญกับพวงโย้เฮ้ยไปซะเห็นยากลูกยากเต้าอยู่ไปไม่ได้หรอกเออจะไปก็ไปซะลักษณะอย่างงั้นว่างั้นเถอะเออเท่นี้พอหลวงปู่ชอบท่านก็ไป ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลท่านก็เป็นพระอริยะบุคคลเพราะท่านบำเพ็ญเนี่ยแต่ตัวเองมีแต่ยุ่งยากเนเลยไปเกิดมันก็ไปคนละทิศทางกันละบาทเนี่ยไปเกิดเป็นแม่ไก่พอตอนเช้ามาลงปุยชอบก็เดินไปเห็นแม่ไก่ตัวเองแท๊คแท๊คแท๊คมางั้นเถอะมันหวงลูกมันเออตักตักตักตตักตตัมาเตะขาลงปุยชอบไนงั้นเถอะ โอ้แมน่นอลีตัวเนี่ยเจ้าปนวแมเอลี่ตัวเนี่ยสันเนี่ยเตะต๊อต๊อกหลวงปู่ช่างก็ยืนให้มันเตะอางัง้ยเถอะเออเตะตะ๊กต๊อกต๊อกลูกมันสามสี่ตัวงันพอผลที่สุดพอเตะเสร็จแล้วมันมันก็ยังด่าไป่เอกนะต๊กต๊อกต๊อกต๊อกตไปหาลูกเมัอนว่ากันเออเออเอาดีแต่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่เลี้ยวแล้วคนอื่นเลยมันจะว่าอย่างเี้ยเนีแม่ไก่ว่างั้นอะเออ หลวงปูยชอบโท่แม่นิลีตัวไหนเนี่ยเรานี่ได้นิมิตเนี่เมื่อคืนเนี่ยทันว่านะเ อ, อีเราจะช่วยอะไรได้วะเออเวลาชวนไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไม่ยอมไปนี่วะเออมิตรยุ่งแต่ยากไม่อนุโมทนายัง อ, อโมโหโทโซให้แก่ อ, อผู้ที่ไปทําบุญอีกต่างหาเ อ, อมันจะไปด้วยกันได้ยังไงถึงอย่างนี้มันก็ช่วยไม่ได้แล้วของใครของเรา กรรมดีกรรมชั่วเป็นของใครของเราใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วใครจะไปช่วยกันได้ใช่ไหมถ้าไม่อโนโมทนาไม่เห็นด้วยอที่ชักชวนไปทางดีแล้วไม่เอาหลวงปู่ชอบก็โปรงตกวางั้นเถอะออนี่ละ่ะการสร้างบุญสร้างกุศลนะเ อ, อมันต้องอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเลเ อ, อจริงจะได้บุญได้กุศลแต่ถ้าว่าคนหนึ่งขัดคนหนึ่งคืน อีลุงตรงนังน่คนไปมันก็ได้แต่ถึงยังไงยังไงก็ต้องทำใจระหว่างนั้นผู้ที่ไปทำนาะต้องทำใจให้กว่างขวางทำใจให้เบิกบานถึงจะมีอุปสรรคอะไรก็าตามอันนั้นอุปสรรคนั่นแหะเป็นยาวิเศษเป็นยาเป็นกำลังใจเป็นการสั่งสมบารมีให้จิตใจกล้าแกล่งไม่ต้องย่อท้อ โล ก, กอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะให้คนอนุโมทนาสาธุทั่วโลกซะก่อนเราจึงบาเพญ็ญทานศีลภาวนานะเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เคยเป็นมาอย่างนั้นขนาดพระพุทธเจ้าของเราไปบาเพ็ญที่ไหนเทวทัตยังลังควานลังแกงานางกินจามนาวิกผูกอาคาตพยาบาทจองเวณพระพุทธเจ้าไป เอาใจสู้เหมืะนั้นเอาใจสู้เสือบางทีก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันถูกฆ่าถูกแกงถูกโทรกรรมถูกถู ก, ถ, กถูกตีเหมือนกันนับไม่ถวดเหมือนกันเถอะด้วยการสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็ทําให้จิตใจเข้มแข็งอยาวันไวในการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าว่าตัวเองคิดแนวแน่แล้วไม่มีทางอื่นแล้ว ในการทําสร้างบุญสร้างกุศลควรจะบําเพ็ญเพราะชีวิตของเราต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปไม่มีใครที่จะไปด้วยกันเรามาเกิดเรามาคนเดียวไม่ใช่เหรอแอบบใครมาด้วยถึงจะออกมาจากท้องแม่เดียวกันถึงเป็นแฝดก็เถอะจิตใจกับคนละดวงกันพอออกมาแล้วก็หรืใส่ใจคอก็ต่างกันอีกเพราะใจลุกขนละดวงเพราะฉะนั้นเวลาออกมา จากแม่เดียวกันการสั่งสมบรรมีก็ไม่เหมือนกันคนหนึ่งทุกคุณหนึ่งจนคนหนึ่งขี้เหล่าเมายาคนหนึ่งเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะดวงวิญญาณของคนเราเนี่ยไม่เสมอกันแต่มาเกิดมาในพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าการสั่งสมในดวงวิญญาณใจนั่นะที่มาเกิดมันไม่เท่าเทียมกันคนหนึ่งก็ บารมีต่ำคนหนึ่งบารมีสูงคนหนึ่งยินดีให้ทานคนหนึ่งขี้เกียจคนหนึ่งกินเหล้าเมายาเลยโง่เง่าเาตาตุนคนหนึ่งก็รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตก็ยืนยาวาสิ่งเหล่านี้มันเป็นบุญกุศลแต่ละคนแต่ละวิญญาณมาส่งเสริมาบางคนก็เวลาทำการทำงานมาจบจังหวะ ลำรวยเอาลำรวยเอาเพราะอะไรก็เพ ร, เพราะอันนี้สงทานในอดีตชาติในปัจจุบันก็ตั้งตนไว้ชอบอีกทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรมสั ม, มาหีพมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจิตใจก็ได้รับความร่มเย็นผาสุขเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพูดมานี่นะ นำทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนีที่ได้ศึกษามาที่ได้พิจารณามาที่ได้พบได้เห็นมานํามาบอกกล่าวให้พวกเราทุกๆท่านนํนะาไปคิดนําไปพิจารณาไตรตรองบาปบุญคุณโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงาตายเราไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกอหลักพิสูจน์พระพุทธเจ้าท่านพามิสูจน์มาแล้ว เ, เราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้า ตัวเองตามบอทแล้วจะไปหาญเก่งกว่าพระพุทธเจ้าท่าทนผู้ตาดีนะ่อยปเก่งได้ยังไงเราต้องเชื่อคนตาดีเชื่อพระพุทธเจา้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านใดอบรมที่ท่านใดฝึกมาแล้วที่ท่านใดปฏิบัติมาแล้วนี่แห ะ, อ, ะอย่างที่หลวงปู่ชอบที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนะี่ยท่านคนไดนิมิตมันก็บอกว่ามันจะเป็นไก่ จะแสดงให้ดูมันว่างั้นนะฟินยาณของแฟนเก่ามาั่งดูท่านะ่ะอพอไปบินธวาดว่าเดินไปองค์เดียวกับไปทักทักเข้ามาจริงๆริเออ ต, ตักตักตัเตะเอาจริงจเหมือนกันโอ้จริงๆริงนะวะ่วานนะนี่แหละออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในหลักของพุทธศาสานาอาที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นไปบินธบาดกับพระอานนท์ไปเห็นหมูตัวหนึ่ง มันมหากินอยู่ข้างถนนพระพุทธเจ้าเห็นแล้วยิ้มาตามปกติพระพุทธเจ้าจะไม่ค่อยแย้มพระโอษนะแต่ท่านจะอยู่แบบนิ่งๆพอดีเป็นเห็นโอ้วิญญาณเนี่ยของสรรพสัตว์ทางหลายเนี่ยมันสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุมดอนดอนจริงๆริงนะทันบา น, านเอาน่าสลดสังเวชใจท่านก็เลยยิ้มพระอนุนก์กรถามมาพระพุทธองค์แย้มพระโอษ ด, ด้วยเรื่องอะไรหนอพระเจ้าข่าว พุทองค์บออานนท์เห็นไหมนางหมูตัวนั้นอ่ะหมูตัวนั้นเห็นไหมหมูตัวเมียเห็นพระเจ้าข่านั่นละ่ะออสมัยครั้งพระพุทธเจ้ากัทสปาดเขาเกิดเป็นแม่ไก่แม่ไก่หากินรอบๆศาลาเนี่ยพระท่านก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกวั น, นสาธยายทำรรองค์หนึ่งมาสาธยายธรรมหรือเรียนธรทำครูบาอาจารย์สอนแล้วก็พยายามสวดตามพยายามว่าตาม แม่ไก่ตอนนั้นก็พยายามเดินเลาะเรียบสาราฟังโดยความเรื่อมใสยย่เพราะงั้นนเอจากนั้นก็ฟังมากเข้าต้มากเข้าเมื่อพระสงฆ์สาทยายแม่ไก่ก็ตอนนั้นก็ฟังพอในสุดแม่ไก่ตอว น, นั้นก็เลยตายเอตายตามอายุสังขารของเขานะพอตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเป็นกุลธิดาเอาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินในเมืองหนึ่ง ตอนนี้พอเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเทอะเนี่ยตอนนี้วันหนึ่งนางไปถ่ายไปถ่ายฐานไปถ่ายห้องส้วมคือห้องส้วมสมัยนั้นก็คงจะไม่มีหัวส้วมซึมอย่างทุกวันเนี่ยก็คงจะมีล่านขึ้นไปแล้วก็ถ่ายหล่นลงมาจากข้างบนว่างั้นเถอะเวลาถ่ายลงมาเนี่ยพวกหนอนทั้งหลายมัน ก, กินอุจจาระว่างั้นเถะกินกันโอ้โหขี่กันไปขี่กันมาโย้เยียไปหมดว่างั้นเถะ อ, อพอนางเห็นเท่านั้นเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากเลยโอ้โหอุจจาระมันออกจากเราตกลงไปหาหนอนนอนกินอีกเออเราเน่ยมันส ก, กรปรกถึงขนาดนั้นเลยออุจจาระมันออกจากร่างกายเราว่าร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยของปฏิกูลด้วยของส ก, กรปรกท่านก็พิจารณาอาสุภะจิตของท่านเข้าสู่ความสงบเ อ, อนางกุลฑีดาเ น, นี่ะนะจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง ไปที่ไหนก็จิตอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ได้ปรงฟุ้งไผดางอื่นเข็นอสุภะอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเถอะผลที่สุดนางก็คงจะอายุไม่ยืนเท่าไหร่มะนางก็เลยตายพอตายแล้วไปเกิดเป็นพรมหรือป่าขึ้นไปอยู่สันพรมเพราะอา น, นิสงส์ภาวนานไปสู่พรมเลยถ้าไปอา น, นิสงส์ทานกับอา น, นิสงส์ศีลไปสู่สวรรค์ถ้าอา น, นิสงส์ภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแน่วแน่เลยเนี่ยพวกนี้จะ พอตายจากช่วงนั้นป๊อจะเข้าสู่พรมเละเป็นพรหอจะเป็นอยู่ด้วยปีติสุขเอเอเกกาตาด้วยด้วยความสุขอด้วยปีติสุขพวกพรหมนะไม่ได้มีอาหารไม่ได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเหมือนเท ว, วดาออันนี้สัมผัสทางทิพเอเป็นสมบัติทิพแต่พรหมในเหนือกว่าเท ว, วดา ก, การเป็นอยู่ว่างั้นะ จากนั้นพอหมดอายุของพรหมนะหมดอา น, นิสงส์แห่งการภาวนาของพรมพอหล่นลงมาตกุกมาเกิดเป็นหมูเหะมันต่ําขนาดไหนสินางเนี่ยวิญญาณตรงนั้นมาเกิดเป็นหมูในกรุงราชสือที่พวกพุทธเจ้าเห็นะ่โอ้วิญญาณท่านว่า่ะทําไมมาเกิดเป็นหมูเพราะว่าออกจากพรหมลงมาแล้วกรรมชั่วในอนดีตชาติคงจะมีอยู่นะวิ่งปุ๊บเข้าไปล็อกเลยเหมนกันเถอะพาไปเกิดเป็นสุกรเป็นหมู เนี่ยนี่แหละท่านว่าวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นมาลุ่มๆุ่มดอนๆหนน่าเบื่อหน้าเอื่มละอาเป็นอย่างยิ่งเออหามาตรฐานไม่ได้เวิญญาณเนี่ยเป็นวัดตะวนวัตตะยะวัตตะบนเวียนไหวตายเกิดในวัดตสงสารน่ากลัวเพราะนั้นท่านจึงสั่งสอนพุทธบริษัทว่าจงบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าประมาทนะ ชีวิตของเราเนี่ยอบางทีมันสูงบางทีมันต่าําอย่างที่ที่ว่าเนี่ยอไม่มีที่สิ้นสุดบางทีอาจจะต่ํากว่านั่นก็ได้บางทีอาจจะตกนรกก็ได้เพราะว่าใจของเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทําแต่กรรมดีอย่างเดียวเด้มันทํากรรมชั่วด้วยเอไม่ใช่จะทำแต่กรรมชั่วย่างเดียวก็ทํากรรมดีด้วยมันทั้งสองกรรมเหมือนกับมะพร้าวสองหน่อ อ, อกออกมาจากลูกเดียวกันนะนะั่นแหละออันหนึ่งกับกรรม อันหนึ่งก็เป็นหนอบุญอันนึงเป็นหนอบาปอย่างงั้นอ่ะถ้าหาว่าเราทําบุญมากหน่อมะพร้าวหนอบุญก่อยาวขึ้นถ้าหาว่าเราทํำบาปมากมะพร้ากก่อหนอที่เป็นบาปก่ยาวขึ้นเหมือนกันเถอะเออมะพร้าวสองหน่อออกม า, ออกมาจากลูกเดียวกันนี่แหละถ้ า, าว่าหน่อไหนมันยาวหนอ น, นั่นก็ให้ผลก่อนเออออกลูกก่อนเหมือนกันเถอะนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านนะอย่าโยมทุกคนนะ่ะ นำไปคิดไปพิจารณาดูนะกรรมดีกรรมชั่วมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงผมมาโลกนิพพานมีจริงตายแล้วไม่สูญเพรา ะ, ะนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่สจิตสู่ใจอย่าประมาทชีวิตของเราไม่ยืนยาวนะไม่ถึงร้อยปีถึงจะร้อยปีก็เถอะหมดสภาพเหมือนนเถอะคนที่ร้อยปีเราไปเห็นหมมันหมดสภาพ มันเหมือนกับรถเก่านั่นแหละเออเดี๋ยวกว่ยางแตกเดียวกยวก่าหลุดเอเดี๋ยวกว่าพงมาลัยเนี่หลุดเออไม่รู้ น, ออ น, น็อตตัวไหนจะหลุดออกอีกเอออันนี้ก็เหมือนกันน่ะคนอายุเก้าสิบแปดสิบเก้าสี่ปีใกล้ร้อยปีน่ะเดียวกว่ฟันหลุดหมดแล้วเออเดียวกว่าตาเละเดี๋ยวกว่าหนังเหี่ยวเออมีอะไรเยอะแยะนิดที่มันจะหลุดออกไปไอ้อพวกนั้นสรุปแล้วก็คือ ถ้าเป็นรถก็รถหมดสภาพถ้าเป็นคนก็นคนหมดสภาพเพราะเอามันแก่แล้วเพรนั้นขณะ น, นี้เรายังมีสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะสั่งสมบูรณ์กุศลได้พวกเราอย่าประมาทน ะ, เ, ะเราจะต้องเดินไปจุดนั้นแน่นอนอไปจุดแก่แ น, น่บางทีอาจจะไม่ถึงแก่ตายก่อนก็มีาั้นเะเพราะนั้นสร้างบุญสร้างกุศ ล, ลเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลก็คือเสา ะ, ะแสวงหา ซับภายนในในสร้างบุญก็คือหาเงินใส่หัวใจของเราไว้เราออกจากชาตินี้พบนี้ชาตินี้ได้บุญกุศล น, นั่นแหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนใจของเราไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นนะถ้าเราบําเพ็ญอย่างติดต่อก็จะพ้นทุกข์ในวัฏจักรสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านบําเพ็ญมานะ อ่ะตอนนี้ไปก็รับพรนะรับพรปีใหม่นะอนุโมทนาให้พรก่อนที่จะให้พรกับอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อว่านะั่นอ่ะอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ทางที่ดีนะทางที่ดีพวกเราควรจะสร้างยังมีชีวิตอยู่นี่นะสร้างเอาไว้ซะทานศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์เวลาตายไปแล้วไม่ต้องให้เขาว่าเอออุทิศ ส่วนกุศลไหนพอตูวแม่ตาได้เด้ออย่าให้เขาบ้าอย่างนั้น mm hmm. เอให้เราว่าก่อนเขาเอ้ยไม่ต้องทําบุญให้เราเถอเนอเราสร้างเอาพอแรงแล้วล่ะบุญกุศลไหนที่เราจะสร้างเราสร้างเอาแล้วสู้เจ้าไม่ต้องทําให้ข้าก็ได้ฮคิดถ้าใหญ่พูดใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปมุ่งหวังคนอื่นถ้ามุ่งหวังคนอื่นไม่รู้เขาทําคิดทําถูกบางทีเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้ก็ว่ากะว่าไปอย่างนั้นอ่ะจมพุมพมพอม อยอดหยาดน้ำออาก็อจดดาอีกตัง้งหากเอออจดดาแช่งอยูใ่ในใจอีกตัง้งหากไอ้ผู้นั้นเราทำเอาเองดีกว่าขนาดเรายังมีชีวิตอยู่เดียวนี่นะ่ะไม่ต้องหวังพึ่งใครแล้วนะอันนั้นละดีที่สุดนะ